บทที่213ขบวนแห่ศพของขุนพลเท่ากุตมะเป็นขบวนอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชาวมรกรนครทั้งหลายจะพึงได้เห็นมาภายในรอบครึ่งศตวรรษเป็นขบวนแห่เยี่ยงพระศพของกษัตริย์หรือราชวงศ์งชั้นสูงแห่งผู้ครองนครเริ่มด้วยขบวนม้าขาวกองเกียรติยศหนึ่งกองพันที่เคลื่อนเยาะแช่มช้านำหน้าไปก่อน ถัดมาก็เป็นขบวนมโหระทึกแปรสังปีฉไหนะกลองชนะและสับปะเครื่องดนตรีประโคมศพหีบศพนั้นบรรทุกไว้ด้วยรถม้าเทียมแตัวประดับด้วยวอทองเครื่องสูงราชวัตรธงทิวอันเป็นเครื่องหมายแห่งการไวอไร้อาลัยมิลาวเสวกามาตรราชมนรีชั้นสำคัญและสาวสวรรค์กำนันในแห่แหนโดยรอบ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 ทรงอยู่ในอาพรชุดขาวบริสุทธิ์เช่นกันประทับอยู่บนหลังมา้าศึกเหยาะยากนำหน้าราชรถบรรทุกศพของกุธมะอาคันตุ ก, กะต่างแดนทุกคนณเช้าแห่งราชพิธีวันนี้ถูกขอร้องให้แต่งกายไว้ทุกแบบชาวมรกรนครโดยปลดเครื่องแต่งกายเดิมของตนเองหมดสิน้นขี่มาตามหลังกษัตริย์จักรราชไปหมดทั้งขบวนทาให้แลกลุมกลืนไปหมด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 ซึ่งเป็นหีบทองคำประดับด้วยอั ญ, ญมณีหลากสีตลอดระยะทางที่ขบวนได้เคลื่อนออกจากมหาปราศาสตรมุ่งออกสู่ถนนใจกลางเมืองเพื่อบายหน้าออกประตูใหญ่ซึ่งบัตรนี้เปิดโล่งและยังเหลือร่องรอยของการถูกทำลายด้วยระเบิดอันยังมิได้ซ่อมแซมถูกโปรยปลายไปด้วยช่อดอกไม้เคารพศพจากประชาชนที่ยืนดูขบวนแห่ผ่านหน้าไป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 ทั้งแผ่นดินท้องฟ้าปลอดโปรง่งแจ่มใส ย, ยิ่งเป็นสุพรรณิมิตรมมยของเทพเจ้าให้ทราบว่าเมฆหมอกร้ายที่ครอบคลุมมรกนครมานานถึง20สกว่าปีบัดนี้ได้เคลื่อนผ่านพ้นไปแล้วด้วยการกลับคืนมาของราชวงศ์เทพองค์สุดท้ายณนะบัดนี้ขบวนแห่ได้ผ่านพ้นประตูเมืองและเคลื่อนไปตามถนนสายใหญ่แล้ว ภาพนี้มันทำให้ฉันโวนระลึกไปถึงภาพที่เห็นขบวนแห่ของนิทรานครในความฝันนะแต่ที่นี่ยิ่งใหญ่โมโหลานกว่ามากนะักดารินผู้หอบม้าไปเคียงข้างมาเรียกระซิบแผ่วเบาแต่ฉันกำลังคิดถึงมาหาอาณาจักรโรมันสมัยจักรพรรดิยูเลียซีซ่าน้อยมาเรียกระซิบตอบเม่ ถ้สังเกตเห็นหีบศพของกุตมะในขณะที่พวกเขานําศพลงหีบไหมก็พวกเรายืนดูอยู่ด้วยกันเมื่อเชาวตรุษของวันนี้นี่น้อยหีบนะ่ะเป็นทองคําทั้งหีบประดับด้วยโคดเพชรทับทิมมรกตและเพเทายนะ่ะเธอพอจะคํานวณได้ไหมว่าถ้าอยู่ในโลกที่จเจริญแล้วของเรานะ่ะหีบศพของกุตมะราคาจะประมาณสักเท่าไหร่นะเม แม่สาวยิ้มเล่นเลี่ยนยักไหล่นิดหนึ่งฉันไม่กล้าคำนวณหรอกน้อยเพราะมันเป็นสิ่งที่มีค่ามาหาศาลเหลือเกินแสดงว่านครแห่งนี้นะ่ะเต็มไปด้วยสิ่งอันมีค่าหรือจะขนานับสักพันล้านก็ไม่รู้ว่าจะทำหีบสพชนิดนี้ขึ้นมาได้หรือไม่ในโลกที่จเจริญแล้วของเราอะเม นี่เรากำลังจะเดินทางไปเยี่ยมมหาสุสานแห่งกษัตริย์เมืองมรกฎนครและกำลังจะไปถึงแหล่งขุมเพชรของพระอุมาเทวีภายในอนาคตอันใกล้นี้แล้วนะเหมือนฝันจริงๆประโยคสุดท้ายดารินวรริศรำพึงกับตนเองจากถนนใหญ่สายยาวเหยียดซึ่งคณะอาคันตุกะต่างแดนได้เคยถูกนำเดินมาก่อนแล้ว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 มองดูเหมือนภูเขาที่เทพเจ้าประดิษฐ์ขึ้นมากกว่าจะเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์ก็ปรากฏให้เห็นอยู่เบื้องหน้าอย่างโดดเด่นปราสาทใหญ่หรือจะดูเป็นลักษณะมหาวิหารยืนรังงานอยู่ณนะติงเชิงภูเขาอันมีรูปทรงคล้ายพีระมิดแห่งอียุปตปหน้าปราสาทเป็นลานกว้างใหญ่ราบเรียบเกลี้ยงเกลามีอาณาบริเวณไม่น้อยกว่าพันไร่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 ประทับอยู่บนอาสนะสูงใหญ่ระ ง, งานเงื้อมแกะสลักด้วยหินภูเขาทั้งลูกตามจากแท่นประทับลงมาเป็นกระถางคบเพลิงขนาดมหือมาสองกระถางซึ่งบัตรนี้กำลังสุกสว่างอยู่ด้วยเปลวไฟระ ง, งมไปด้วยกลิ่นอายของกํายานและเครื่องหอมจักรราษและทุกคนลงจากหลังมาแลวราชวงศ์เทพองค์สุดท้ายก็เสด็จขึ้นไปวางเครื่องสักการะบวงสวง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 อันเป็นภาพแกะสลักนั้นเสร็จสิ้นครบพิธีแล้วพวกทหารจำนวนหนึ่งก็ตรงเข้าไปที่วอทองช่วยกันแบกขีบศพของปุตตะมะลงมาพวกโปรโหิตเจ้าแห่งพิธีก็พากันเข้าแถวถือหม้อกํายานอันส่งควันกรุนเดินนำหน้าขบวนเข้าไปทางปากาวาวรใหญ่ด้านหลังสู่ช่องทางเดินซึ่งบัตรนี้จะใช้หลักของกลศาสตร์เช่นไรก็สุดที่จะเดาได้ พูเขาทั้งลูกด้านหลังของวิหารได้เคลื่อนแยกออกจากกันทำให้มองเห็นเป็นทางเดินประดุดอุโมงค์ใหญ่สองผนังหินจุดสว่างลุกโชนอยู่ด้วยคบเพลิงที่ปักไว้เป็นระยะแทนความหมายคำพูดเชิญชวนใดๆทั้งสิน้นจักรราชฐานมาทางอัตคันตุ ก, กะต่างแดนที่ยืนรวมกลุ่มกันตะลึงดูสิ่งแวดล้อมรอบด้านอยู่แล้วยักหน้า น, น้อย เหมือนจะให้ตามเข้าไปด้วยพร้อมกันตนเองอรชุนและเมยานีกับแม่ทับสนิทอีกจํานวนหนึ่งก็ทยอยกันเข้าไปตามช่องอุโมงนั้นเชตาก็หันมาบอกกับทุกคนว่าตามเข้าไปทั้งหมดเดินจับกลุ่มตามขบวนนั้นเข้าไปด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายถูกเต็ไมไปด้วยความตื่นเต้นระทึกใจ และอยากรู้อยากเห็นกระตาตนเองไม่มีใครพูดกันเลยในขณะนี้เหมือนจะเป็นใบ้ากันไปทั้งหมดคงได้ยินแต่เสียงสวดวังเวงแผ่วตำของพวกราชปุโรหิตที่พากันเดินนำหน้าเข้าไปก่อนเพียงครู่เดียวจากช่องอุโมงค์อันกว้างประมาณสิบเมตรนั้นทั้งหมดก็บรรลุถึงห้องกว้างใหญ่ลักษณะวงกลมซึ่งตั้งเรียงรายด้วยหีบศพทองคา อันประดิษฐานอย่างเป็นระเบียบอยู่บนแท่นหินซึ่งแต่ละแท่นมีขนาดพอดีกับหีบศพแต่ละหีบนั้นทุกหีบล้วนเป็นหีบทองคำประดับเพชรพลอยเช่นเดียวกับหีบศพของกุตมะทั้งสิ้นหีบศพของกุตมะได้ถูกแบกชะลอนำเข้าไปตั้งประดิษฐานอยู่ทางมุมด้านซ้ายของคูหานั้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว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 ขอให้วิญญาณของกุตตมะยอดขุนพลผู้ซื่อสัตย์จงสถิตอยู่ณสถานที่อันควรนี้เพื่อเป็นที่ศักการะของชนทั้งมวลชั่วนิรันดร์การลงพระนามสมเด็จพระเจ้าจั ก, กราธิราชรับสั่งประกาศขึ้นดังนั้นแล้วกษัตริย์หนุ่มแห่งมรกฎนครก็ชิดบา ท, ทั้งสองเข้าหากัน ในท่าระวังตรงพร้อมทั้งน้อมเสียนลงโคง้งคำนับอย่างคาระวะเชตดถาชยันอนุชาดารินและรพินพนมมือขึ้นไหวเคารพศพโดยไม่ได้นัดกันไหวามาเรียย่อกายลงในอาการเคารพเช่นกันส่วนพรานพื้นเมืองทั้งหมดโดยการนำของนานอินสุดกายลงคุกเข่ากราบที่แท่น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 กราบทูลขึ้นด้วยเสียงแหบเครือว่าขออันเชิญเสด็จใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทมาถวายการเยี่ยมสักการะสมเด็จพระเจ้าสวามิตรนารายอันเป็นสมเด็จพระอายากาของพระองค์ทางนี้เถิดพระเจ้าค่ะถัดจากแท่นหินที่วางหีบศพของกุตมะออกไปอีกเพียงช่วงเดียว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 นี่คือกษัตริย์แห่งราชวงศ์เทพองค์สุดท้ายที่ทรงมีโอกาสเข้ามาสถิตยอยู่ในมหาสุสานของราชวงศ์แห่งนี้อดีตแงสายหันมากล่าวกับอดีตพักพวกของเขาภายหลังจากลุกขึ้นยืนพร้อมกับ ย, ยิ้มเศร้าๆแล้วแล้ววิษณุพรมนาฏราชวิดาของเธอละ่ะแงสายดารินกระซิบถามมาโดยไม่ได้ตั้งใจ จักราธทิราชระบายปัดสาสักยาวเยื้พ่อของผมตายในที่รบขณะที่เกิดขบฏครับนายหญิงไม่มีใครบอกใครได้ว่าพระศพของพระองค์ถูกไอ้พวกขบฏเหยียบย่ำทำลายหรือเอาไปไว้ที่ไหนยังไงส่วนแม่ของผมไปตายในป่าต่อหน้าลุงนานอินอย่างที่ทุกคนทราบดีแล้ว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 แล้วกษัตริย์หนุ่มแห่งมรกฎนครก็หันไปทางผู้เท่าแห่งกองทัพประชาชนหรืออดีตขุนพลซ้ายผู้สื่อสัตย์ของราชวงศ์เทพรับสั่งถามแผ่วเบาว่าอรชุดขณะที่สมเด็จพระราชบิดาของข้าถูกปลงพระชนโดยพวกขบท่านเห็นเหตุหการณ์ในขนาดนั้นหรือไม่อรชุดกัดกรามจนนูนเป็นสัน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 ยังตีฝาเข้ามาไม่ทันถึงมหาปราศาสตรก็ได้ทราบข่าวว่าสิงหราและรหัสยะยึดมหาปราศาสตรและปรงพระชนสมเด็จพระราชบิดาลงซะแล้วข้าพระองค์ไม่ทันได้เห็นกับตาพอรู้ข่าวเช่นนั้นก็ตีฝาทหารขบฏเพื่อ น, นี้เอาตัวรอดไปพลางก่อนสหายกุตมะเพียงผู้เดียวเท่าที่อาจมองเห็นเหตุหการณ์ในขณะนั้น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 ขอบคุณสวรรค์และพรหมลิขิตของเธอเองเธอะแง่ทรายเธอเกิดมาเพื่อที่จะเป็นกษัต ร, ริย์ของที่นี่สวรรค์จึงบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้เกี่ยวพันต่อเนื่องกันเป็นสายโซ่สำหรับฉันเองนะขอสารภาพว่าที่เดินทางมาครั้งนี้เป็นการเดินทางมาด้วยความละโมกเพื่อหวังสมบัติของทพระเจ้าแห่งนคร น, นี้มากกว่าแต่เดี๋ยวนี้ฉันก็รู้ตัวดีแล้ว่ะมันเป็นการกระทาที่โง่เขลามากที่สุด ผู้ ก, กองครับอดีตแงาทรายเอ่ยเรียกนามของคนสกุลไพรวันขึ้นเบาๆตลอดเวลาบุคคลผู้นั้นไม่ได้ปริปากพูดคำใดทั้งสิ้นก็ได้ยินเสียงกระซิบตอบมาว่าฉันอยู่นี่ผู้ ก, กองครับขณะที่เราเดินทางมาถึงหลุมมุ ก, กาบาทที่หนึ่งผู้ ก, กองจำได้หรือเปล่าครับผู้ ก, กองถามผมว่าจะกลับมารากตนครเพื่ออะไร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 นั่นก็คือทศพิตรราชธรรมครับผมขอปฏิญาณไว้ต่อหน้าพระศพของบรรดาต้นระกูลของผมที่เรียงรายอยู่เต็มสุสานแห่งนี้ว่าผมจะรักษาสัจจะปฏิญาณข้อนี้ไว้ตลอดไปและถ้าหากไม่เป็นการอึดอัดใจเกินไปสำหรับพวกท่านทั้งหลายไหนๆก็เหยียบย่างเข้ามาจนถึงมหาสุสานของราชวงศ์ผมและเช่นนี้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 แม้ว่าจะจำเป็นต้องดื่มเลือดพรมจารีอย่างนางวาชิกาก็ตามเชยันแอบกระซิบมาจักรราชแย้มสวนออกมาได้เป็นครั้งแรกในเช้าวันนี้ <c oughs> แหมนายทหารมีอารมณ์ครื่นเครงน่ารักอยู่ตามเคยนะครับผมคงรู้สึกเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกนะครับถ้าหากถึงวันที่พวกท่านทุกคนจะต้องจากที่นี่ไปผมไม่อยากใจถึงวันนั้นเลยครับอยากให้พวกท่านอยู่กับผมและชาวมรกรนคร ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับนี่ทำไมติดเรื่องเมย์ตั้งท้องซะอย่างเดียวพวกเราก็อยากจะอยู่กัน้ายให้นานที่สุดละแต่เราต้องการกลับไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนโดยเร็วเพราะว่าถ้าเมย์คลอดลูกที่นี่ลำบากและยิ่งช้าเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งอุ้ยอ้ายขึ้นเท่านั้นจะทำให้การเดินทางไม่สะดวกเราก็คงจะต้องกลับไปก่อนที่จะเกิดอุปสรรคในข้อนี้แหละนะ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 สมัยมังมหารทาผู้ที่เขียนลายแทงไว้ให้เราจนเราสามารถเดินทางมาถึงที่นี่ได้ย้อนหลังจากเวลานี้ไป400รปีเสร็จอยากจะรู้เหลือเกินนะว่าในสมัยที่เขาเข้ามาถึงที่นี่นะตรงกษัริย์สมัยของบรรพบุรุษองค์ไหนของแง่ทรายนะอดีตแ ง, ง่ทรายยิ้มน้อ ย, อยผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับนายหญิงแต่ก็คงจะไม่ใช่สมัยของทวดหรือเทียดของผมแน่ละครับ ก็คงจะย้อนหลังขึ้นไปอีกหลายชั่วคนแต่เราก็อาจจะสอบประวัติดูได้จากอายุไข ข, ของบรรพบุรุษแต่ละคนของผมที่มีจารึกบอกไว้ว่าใครเกิดเมื่อใดตายเมื่อใดแล้วก็คิดคำนวณเอาแลครับนั่นนะมันไม่ใช่ปัญหาที่เราอยากจะรู้หรอกแง่ทรายเราอยากจะรู้แต่เพียงว่าขุมเพชรพระอุมาที่ใครต่อใครพยายามบุกบั่นเข้ามาหาตลอดระยะศตวตรรษต่อศตวตรรษ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 สู่ห้องมหาสมบัติของพระแม่จากหากทรงอนุญาตหินผาทั้งแผ่นประดุดผนังภูเขานั้นก็จะถูกเคลื่อนยกหายขึ้นไปบนหลือเพดานด้านบนเราจะเดินลงไปทางปากทวาวรที่เปิดนี้สู่บันไดที่ทอดต่ำลงไปอีกประมาณ20สบขั้นก็จะถึงห้องอันกว้างใหญ่ซึ่งบรร จ, จุเต็มไปด้วยโคดเพชรและอัญมณีมีค่าหลากชนิด ซึ่งบรรจุอยู่เต็มประดุดกรวดหินฉะนั้นอรชุนพนักงานเหล่านั้นจะสวดวิงวอนหรือบวงสูงเช่นไรก็สุดแล้วแต่แนะทว่าท่านจะต้องควบคุมให้ทวารนี้เปิดออกไปให้ได้เข้าใจไหมอดีตแงซ า, ายพูดเสียงต่ำแต่หนักแน่นมั่นคงในน้ำเสียงสหายอาคันตุ ก, กะต่างแดนทุกคนที่ยืนเรียงรายขนาบอยู่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 ปากทวารสูงมหาสมบัติของพระแม่เจ้าอุมาจะเปิดขึ้นได้ก็เฉพาะคำสวดบวงสวงเพื่อขออนุญาตเท่านั้นเองหรือว่ามีกลไกสำหรับเปิดแอบแฝงอยู่ตำแหน่งใดอีกมีประตูกลนพระเจ้าค่ะประตูกล น, นเป็นลักษณะปั้นจันหินขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ด้านหลังองค์เทวรูปสำหรับใช้หมุนเพื่อเปิดทางลับนีด้วยพระเจ้าค่ะ และขณะนี้กำลังทาหารประมาณหนึ่งกองร้อยพร้อมทั้งม้าอีกห้าสิบตัวก็เตรียมทำหน้าที่ชุดลากปั้นจันอยู่แล้วโดยใช้สายเชือกขนาดใหญ่เป็นเครื่องชุดลากแต่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ารหัสของการหมุนปั้นจันหรืออีกนายหนึ่งกุญแจสำหรับเปิดประตูนั้นเป็นเช่นไรหากเทวีอนุญาตก็จะเข้าดนบรรดาใจ ให้ไฟที่ทำการฉุดลากปั้นจันอยู่เบื้องนอกนั้นสามารถหมุนได้ถูกทางและหินผาทั้งก้อนก็จะเคลื่อนขึ้นไปด้านบนเป็นการเปิดทวารออกได้แต่ถ้าไม่ทรงอนุญาตแม้จะใช้กำลังทหารทั้งมรกนครก็จะไม่สามารถเปิดประตูของเท พ, พเจ้านี้ออกได้เลยพระเจ้าค่ะพระเนตรของกษัตริย์หนุ่มแห่งราชวงศ์เทพ ที่ทอดจับไปยังอรชุนเต็มไปได้วยความโงนแล้วเหลือไปยังอดีตคณะเจ้านายทุกคนอรชุนในชีวิตของท่านที่อยู่ในแผ่นดินนี้มานานท่านเคยทราบมาบ้างไหมว่าแรงมหาสมบัติของเทพเจ้าแห่งนี้ได้ถูกเปิดออกและเคยมีกษัตริย์องค์ใด ย, ย่างพระบาทผ่านพ้นเข้าไปได้ทอดพระเนตรเห็นบ้างแล้ว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 สมเด็จพระอัยกาสวามิตรนารายก็เคยเสด็จไปเยี่ยมขุมมหาสมบัตินี้แล้วครั้งหนึ่งแต่มาในสมัยของสมเด็จพระราชานิพรมนา์และสมัยทรราช ashtra ยังไม่เคยได้ข่าวเลยว่าทั้งสองจะเปิดประตูกล น, นี้ลงไปได้สิงหรากับรหัสยะนะเคยพยายามอยู่หลายครั้งก็ไม่เคยปรากฏ ว่าประตูกลนี้จะเคลื่อนขึ้นไปได้เพราะไอ้คนบัตรซบชั่วชาติบุญญาบารมีไม่ถึงส่วนสมัยสมเด็จพระบิดาของพระองค์ไม่ได้ทรงพยายามมาก่อนคงจะเนื่องมาจากขึ้นครองแผ่นดินในระยะเวลาอันสัน้นและยังคงไม่คิดที่จะเปิดแหล่งมาหาสมบัตินี้เพื่อการใดสมเด็จพระราชบิดาหาได้ทรงสนพระทัยไม่พระเจ้าค่ะ ประหลาดมากนะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าคิดจักรราดหลุดโอดครางออกมาขณะนั้นเองเชษฐาก็กล่าวตัดบทขึ้นว่าไงาสายถ้าหากว่าการเปิดประตูลงไปสู่แหล่งมหาสมบัตินี่มันเป็นสิ่งยากนักและเต็มไปด้วยมนอาถรรพ์พวกเราก็จะระงับความคิดที่จะลงไปชมเพียงแค่นี้อย่าพยายามต่อไปดีกว่าเราไม่ต้องการเห็นอีกแล้วล่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องสาคัญอันใด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 พวกเจ้าไม่ต้องสวดมนต์วิงวอนใดๆอีกแล้วละ่ะข้าจะเสียงสัตว์อธิษฐานเองกระสัตนมรัดขึ้นด้วยสุรเสียงดังก้องเต็ไมไปด้วยความเฉียบขาดและมั่นคงในกระแสรับสั่งเป็นอย่างยิ่งพวกพระผู้ทาพิธีเหล่านั้นทำหน้าตื่นเลิกลักแล้วก็พากันถอยห่างออกมาอย่างประหลาดใจจักรราษย่างพระบาทล้าหน้าทุกคนออกไปประทับยืนประจันอยู่กับแผ่นหินผานั้น สงบนิ่งอยู่เป็นครู่ก็ประกาศขึ้นด้วยสุรเสียงชัดเจนแช่มชา้าได้ยินไปทั่วทุกคนข้าแต่มหาศิวเทพผู้สงจันทร์เสี้ยวเป็นปีนและมหาเทวีอุมาบัตนี้ข้าพระองค์จั ก, กรราชได้มายืนบำบวงเสียงสัตว์อธิษฐานอยู่ยังปากทวาวรขุมมหาสมบัติของพระองค์ทั้งสองแลว้ว มาดว่าบุญญาบารมีของข้าพระองค์มีพอที่จะปกป้องไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมรกรนครให้ร่มเย็นเป็นสุขสือไปเยี่ยงบรรพบุรุษราชวงศ์เทพอันเปรียบประดุจลูกหลานของพระองค์ก็ขอให้ประตูแห่งคุ้งมหาสมบัตนินี้จงเลื่อนเปิดขึ้นให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตาณนะบัตรนี้เถิด ประกาศจบจากกาธิราชก็ก้มเสียงสงบนิ่งในอาการคาราวะบัตรนั้นเองสิ่งมหัศจรรย์พลันปรากฏชัดกับสายตาของทุกคนบัตรนี้มีเสียงลั่นคลืดแผ่นดินบริเวณที่ทุกคนยืนหยุ่นไว้สถานยื้อขึ้นวูบหนึ่งจนหลายคนส่วนเซและพร้อมกันแผ่นหินผาทั้งลูก และประดุดผนังถ้ำนั้นก็ค่อยๆเพเยะขยับเลื่อนขึ้นจากเบื้องล่างประดุดเป็นการเปิดทางโดยฝีประหัตของเท พ, พเจ้ามากกว่าที่จะใช้เครื่องพรแรงหรือหลักกลศาสตร์ใดๆทั้งสิ้น่ามกลางสายตาที่ตื่นตะลึงนิ่งเป็นหินไปหมดทุกคนฝุ่นละอองและสะเก็ดหินบางส่วนร่วงอยู่พร่างพรู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 แล้วก็เป็นบุคคลแรกที่ก้าวล้ําเข้าไปยืนอยู่ยังบันไดาทางลงนั้นหันกลับมายิ้มพรายให้กับทุกคนพลางโบกหัดให้อรอชุนเมยานีเหล่าปุโรหิตราชครูกับทหารสนิทที่ตามเข้ามาด้วยก้าวนาหน้าลงไปก่อนตนเองยังคงยืนอยู่ที่เดิมพลางหันไปมองอดีตนายจ้างและเพื่อนพรานทั้งหลายรับสั่งเรียบเรียบว่า เชิญครับประตูของเทพเจ้าเปิดให้กางเงาทายและทุกท่านแล้วครับรัศมีทองสาดจักรร่างนั้นอารางอารามเรืองสว่างสวัยตลอดเส้นทางเดินลงไปสู่เบื้องล่างนั้นไม่มีคบเพลิงหรือใต้แม้แต่ดวงเดียวแต่ความสว่างอันลิลับนั้นแจ่มกระจ่างชัดเจนต่อสายตาจนสามารถมองเห็นได้หมดทุกซอกทุกมุม และขนาที่ทุกคนยังยืนตะลึงอยู่เบื้องบนขณะ น, นี้ก็ยังสังเกตเห็นได้ว่าผนังสองฝั่งและพื้นบันไดที่แงซทรายเหยียบยืนอยู่ล้วนเป็นทองคําทั้งสิ้นเมื่อเห็นทุกคนยังนิ่งเป็นหินกันไปหมดจักรราชพยักษ์พักเชิญชวนลงมาอีกครั้งขณะนั้นอรชุนเมญีและบุคคลติดตามอื่นๆเคลื่อนผ่านลงไปหมดแล้ว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 ติดขังอยู่ในวันนั้นไม่ผิดเลยนะจําได้ไหมพอเราหลวมตัวเดินลงไปเท่านั้นนไอประตูหินก็เลื่อนลงมาปิดขังเราไว้จําได้สิเมแล้วตอนนี้ผมก็กําลังคิดอยู่เช่นนั้นเหมือนกันชัยันพึมพำเสียงสั่นพร่าเพราะเคยโดนมาก่อนแล้วแล้วก็จําขึ้นสมองดูเหมือนจักรราชจะได้ยินเสียงของสองสามีพัญญาจึงสวนขึ้นเบา นายแมในายทหารและทุกท่านอันเป็นที่เครารพของแง่ทรายขอท่านอย่าได้ระแวงแคลงใจหรือหวาดกลัวสิ่งใดเลยครับประตูห้องมหาสมบัตินี่เทพเจ้าเปิดเทพกษัตริย์ของมรกรนครและขณะนี้กษัตริย์แห่งมรกรนครกับบุคคลสำคัญทั้งหมดของเมืองมรกรนครก็ลงไปอยู่ภายในนี้แล้วมาดว่าประตูจะเคลื่อนลงมาปิดขังพวกเราทุกคนไวจักราชก็พร้อมแล้วครับ ที่จะตายอยู่กับพวกท่านทุกคนภิว่ามหาเทพและมหาเทวีผู้เป็นเจ้าของสมบัติไม่ปรารถนาที่จะให้เราคนใดคนหนึ่งเหยียบย่างลงไปได้โดยปลอดภัยแล้วประตูนี้ก็จะไม่เปิดขึ้นเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นเชิญเถอะครับขอเชิญทุกท่านครับโปรตามแงซายลงนบัตนี้ขุมเพชรพระอุมาที่ท่านพากันฟันฟาอุปราศมาจนแทบเอาชีวิตไม่รอดเพื่อที่จะได้เห็น รอคอยอยู่ข้างหน้านี้แล้วโปรดมาชมให้เห็นกระตาเถอะครับคำพูดชนิดนั้นทำให้ทุกคนปราศจากความลังเลอีกต่อไปต่างก้าวตามหลังแง่ทรายลงไปเงียบๆด้วยอาการอันตื่นๆงงๆระพินไพรวันปิดท้ายเดินอยู่ล่าหลังเพื่อนตามเคยเขาไม่สังเกตดูบันไดหรือผนังหินที่เป็นทองอารามไปหมดแต่หันไปชำเลืองดูประตูเลื่อนด้านหลังตลอดเวลา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 พวกพระในทหารชั้นสำคัญอรชุนและเมญานียืนรออยู่ในรัศมีวงกลมรอบระเบียงนั้นอยู่แล้วเมื่อจักรราชนำอาคัรตุกกะต่างแดนทั้งหมดมาถึงสิ่งที่มองดูเสมือนก้อนกรวดหรือหินที่กองเต็มอยู่ยังบ่อเบื้องล่างอันกว้างขวางนั้นทำกลางแสงสว่างสีทองที่สาดปลังออกมา ราวกับติดไฟซ่อนไว้ตามซอกหลืบทั่วๆไปมันล้วนแล้วไปด้วยก้อนหินอันมีค่าที่ยังไม่ได้เจียรนัยขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาดเท่าครกตำข้าวและขนาดเล็กที่สุดก็เท่ากับไข่ห่านหินแกรง่งอันมีลักษณะประดุดแก้วซึ่งมองผัดผาดก็แยกทูว่าก้อนใดคือเพชรทับทิมมรกตและอัญมณีที่ประมาณค่ามิได้ ในโลกมนุษย์ที่เจริญแล้วแน่ละเหลือที่จะขนานนับได้รวมปริมาณทั้งหมดหลายสิบตันเพราะกองปะปนกันอยู่เต็มพื้นที่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยตารางวานั้นทุกคนจ้องตาไม่กระพริบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายชดประชากรและหนานอินผู้ซึ่งมุ่งเสียงชีพเพื่อสิ่งเหล่านั้นนอกนั้นแล้ว มองในลักษณะมือตะลึงอย่างเดียวยกเว้นรบผินเขาไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นนักนอกจากจะสำรวจไปรอบๆด้านเพื่อหาทางหนีทีไล่อันเป็นสันดานประจำตัวคุณชายกลางครับนั่นคือสิ่งที่คุณชายและลุงนานอินบุกบันฟันฝ่ามาเพื่อหวังจะได้พบนะครับเสียงแผ่นนิ่มของแง่ทายดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้ม พลางพยักหน้าชี้มือลงไปให้ดูแต่สำหรับพวกผมชาวมรกรนครนแล้วมันคือก้อนกรวดธรรมดา่น่ละครับเชิญเลยครับเชิญลงไปสัมผัสแตะต้องกับมันอย่างน้อยก็เพื่อจะได้รู้ไว้ว่าขุนเพชรพระอุมาณมีอยู่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่กกุกันขึ้นและเพื่อไม่ให้เสียแรงที่ทุกท่านได้เสี่ยงชีวิตกันมาแล้วผมขอกล่าย้าไว้ณที่นี้อีกครั้งนะครับ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 แง่ทรายฉันตาบอดมานานแล้วตาบอดด้วยความลำบากจนกระทั่งแม้ชีวิตก็แทบจะเอาไม่รอดนี่ทำไมใช่เพราะพวกพี่น้องเพื่อนฝูงตามมาช่วยไว้แต่เดี๋ยวนี้น่ฉันตาสาว่างแล้วสว่างด้วยสัจธรรมในข้อที่ว่าหัวใจอันสมถะและถือสันโดษเท่านั้นที่จะทำให้คนเรามีความสุขได้หาใช่พวกกระ ส, บสมบัติใดๆไม่เพราะฉะนั้น ขอฉันได้ยืนมองมันอยู่บนนี้เช่นเดียวกับชาวมรกตทุกคนเถอะและสาบานว่าจะไม่แต่ต้องหยิบฉวยไปเป็นสมบัติแม้แค่ปลายนิ้วก้อยอดีตแงาทรายยิ้มพรายหันไปทางสองสาวคุณหญิงกับนายแหม่มนะครับอัญมณีย่อมมีค่าสำหรับผู้หญิงเสมอนะครับไหนๆก็มาถึงแหล่งขุมเพชรมหาศาลยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้แล้ว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 ส่วนนักมนุษย์วิทยาสาวเลือดราชาสกุลยกมือขึ้นรูปใบหน้านี่ไงาสายเธอนะ่อย่าใช้วาจาใดๆล่อลวงพวกเราเลยความสำเร็จและรอดตายของพวกเราทุกคนในครั้งนี้จนกระทั่งสามารถทำให้เธอกอบกู้ราชาบัลลังก์ได้สำเร็จเป็นผลมาจากสัจจะที่เราให้กะระลือสีโกณทัญญานั่นคือละเว้นความละโมกทั้งปวงให้หมดสิน้น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 แต่พวกเราก็ไปถึงก็ยากจนนักเราเงี้ยแซ่เงียหัวเราเบานุ่มแต่ผู้กองครับพวกพานพื้นเมืองของเราทุกคนในะยังยากจนอยู่นะครับไม่งั้นก็คงไม่รับจ้างเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยราคาค่าจ้างอันต่ําถึงเพียงนั้นหรอกครับคําพูดนั้นโฉบไปยังจอมพรานผู้มองไปรอบๆ บ, บริเวณมากกว่าที่จะมองลงไปยังขุมเพชร ระพินไพรวันหันขวับมองหน้าผู้พูดฉันยอมรับนะว่าฉันและพวกของฉันเป็นคนจนจะเรียกว่าหาเช้ากินข้ามก็ได้ไงทา ย, ายคำตอบของเขาเรียบที่สุดแต่นายก็รู้จักฉันได้ดีพอสมควรแล้วนี่นะว่าฉันต้องการเฉพาะสิ่งที่ฉันปรารถนาเท่านั้นถ้านอกเหนือไปกว่านั้นฉันก็ไม่ต้องการเลย แล้วผู้กองต้องการอะไรเหรครับเงินค่าจ้างและเงื่อนไขสัญญาที่ฉันได้รับไปเรียบร้อยแล้วกับผลงานที่ฉันได้กระทําสําเร็จรุ่วงไปแล้วนะ่ะนั่นคือสิ่งที่ฉันปรารถนาเหนือสิ่งอื่นนี่แปลว่าทุกท่านจะไม่แต่ต้องขุมเพชรพระอุมานี้เลยจนนิดเดียวอย่างนั้นเหรอครับเราสัญญาและตั้งปณิธานกันไว้ก่อนแล้วนะ ซึ่งเราจะไม่ยอมเสียสัจจะดารินตอบมาทันทีแงส า, ายหันไปทางเชิดถาผู้ยืนสงบเหมือนพระภิกษุนาใหญ่ลครับมีความเห็นยังไงครับท่านหัวหน้าคณะเอื้อมมือไปโอบกอดไหลแงา่ายไว้แงส า, ายฉันมองเห็นสิ่งเหล่านี้เหมือนก้อนกรวดเช่นเดียวกับชาวมรกตนครเช่นกัน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 ใครต้องการก็เชิญไปเก็บเอาตามกำลังความสามารถเท่าที่คิดว่าจะขนไปได้นะนี่คือคำอนุ ญ, ญาตของกษัตริย์จั ก, กราธิราชที่เป็นนี่บุญคุณสหายทุกคนมาโดยตลอดครับทั้งหมดน้ําตาคลอด้วยความปิติตื้นตันใจและบุญคำซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายพรานพื้นเมืองของรพินทั้งหมดก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงเครือว่าแงทาย ข่าวสักมือน้ำสักอึกจะทำให้พวกเรามีความสุขยิ่งกว่าสิ่งประทังชีพในหนทางเดินกลับข้างหน้าเพราะฉะนั้นขอให้มหาสมบัติของเทพเจ้าเหล่านี้จงอยู่ณนะที่อันควรอยู่ต่อไปเถอะแง่ า, ายพวกเราเพียงแต่เข้ามาเพื่อเห็นเท่านั้นก็เป็นบุญตาอย่างยิ่งแล้วจักราธิราชถอนพระทัยยาว กรมศีสะลงคำนับให้แกกลุ่มอาคันตุ ก, กะต่างแดนทั้งหมดทุกท่านครับทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้มีจิตใจสูงแล้วแม้แต่จะเป็นเพื่อนพรานต่ำจากยากจนของผมทั้งหลายเทพเจ้าแห่งมรกรนาคอนจะปกปักรักษาให้ทุกคนเดินทางกลับไปยังถิ่นฐานโดยปลอดภัยทั้งสิน้นมหาขุมทรัพย์แห่งนี้ ไม่อาจทำให้เหล่าท่านมีน้ำใจเอ็นเอียงไปได้แม้แต่น้อยผมจักรราชขอคำนับคาราวะในน้ำใจอันสูงส่งทุกคนแต่ก่อนจากที่นี่ไปทุกคนจะไม่เดินลงไปจับต้องพิจารณาดูสิ่งเหล่านั้นบ้างนะครับหรือจะอยู่กับกองเพชรนินจินดาเหล่านั้นนานสักเท่าใดก็ได้นี่เพื่อรู้แน่ว่ามันเป็นสมบัติอันมีค่าอย่างแท้จริงทั้งสิน้น หาเช่นนิทานที่กล่าวล่ำลือกันมาหลายยุคหลายสมัยใหม่เชื่อหันมาทางดารินกบมาเรียในฐานะผู้หญิงของคณ ะ, ะน้อยกเม่จะไปรูปคำสัมผัสมาง ก, ก็ได้นะพี่และทุกคนจะรอยอยู่บนนี้ไม่ละคะพี่ใหญ่เพียงเห็นแค่นี้ก็พอใจแล้วละ่ะราวกันนัดกันไวสองสาวตอบขึ้นพร้อมกัน แต่เช่นนั้นเราก็ควรจะขึ้นไปจากที่นี่ได้แล้วละ่ะเสียงต่ำาๆของรพินไทรวันบอกกับทุกคนมาผมสังเกตผู้กองรู้สึกจะกระสับกระส่ายร้อนรนและไม่เป็นสุขนักในการลงมาในนี้มีไรเหรอครับจักรราชถามเลิกขนงขึ้นพร้อมกับแย้มสวนน้อยๆเอาก็ต่ประตูหินนะ่ะมันเคลื่อนปดิดลงมาก่อนที่พวกเราจะขึ้นไปจากที่นี่ จะโดยอะไรสักอย่างนึ้งก็ตามพวกเราทุกคนก็จะอยู่ในฐานะอะไรคำถามนั้นสร้างความชะงักและเงียบงันขึ้นชั่วขณะแก่ทุกคนแม้กระทั่งแง่สายเอง